ครั้งที่สี่ท่านก็ไปเที่ยวพระราชุทยานอีกวันนั้นท่านได้เห็นหน้าบุตรของท่านแล้วก็เห็นก็ไปไปเที่ยวราชชุทยานก็ไปเห็นนักบวชนี้เขาเรียกว่าบรนประชิตผู้เว้นรอบเว้นจากความชั่วทางกายวาจาและใจได้รอบเพราะบรนประชิตถือว่าการประพฤติ ธ, ธรรมเป็นความดีนนะการประพฤติ ธ, ธรรมก็คือประพฤติกุศลธรรมกุศลกรรมบทการประพฤติสุดจริญ ธ, ธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจเป็น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 การประพฤติเป็นกุศลหมายความว่าไม่มีโทษการกระทําแต่สิ่งที่ไม่มีโทษเป็นความดีเพราะฉะนั้นจะต้องประพฤติอยู่ในข้อประพฤติข้อปฏิบัติในที่ ท, ท, ที่ไม่มีโทษเพราะนั้นการประพฤติกายที่ไม่มีโทษวจีสมาจารที่ไม่มีโทษมนโนสมาจาร์ที่ไม่มีโทษอันนี้เป็นความดีโอเคข้งก็บอกกันไปอีกว่า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 การอนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตาเนี่ยเป็นความดีการที่มีเมตตาวังจะช่วยปลดเรื่องให้สัตว์พ้นเอ่อให้สัตว์มีแต่ความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นเป็นความดีแท้ท่านก็ได้แนวทางเลยนะพอท่านได้ฟังคำของบัณชิตสุทธาวาสพรมบอกกล่าวอย่างนั้นท่านก็รู้เลยว่าแนวทางก็คือการประพฤติชาระกายวาจาใจเนะนี่ยนะก็เลยบอกว่าพอได้ฟังอย่างนั้นจบบอกโอ้ดี เพราะฉะนั้นสารถีท่านเอารถเอาเครื่องแต่งตัวกลับวังไปเฉันบวชละนั้นก็เลยออกบวชตรงนั้นเลยเนี่ยนะออกบวชโดยที่ไม่กลับเข้าไปสู่วังอีกเลยเมื่อออกบวชเสร็จแล้วก็มีผู้ที่ออกบวชตาม8ป0 0 0ี่พันท่านก็จารึกไปในคาำนิคนชนบท ร, ราชธานีในระหว่างนั้นเนี่ยนะประมาณสี่เดือนเนี่ยถามว่าท่านทําอะไรสเดือนในการออกบวชของท่านท่านก็มีการไข้ควรพิจารณาธรรมนะมีการพิจารณาไข้ครวรธรรมเขาเรียกว่า ประพฤติ ธ, ธรรมก็ประเมื่อประพฤติคุณธรรมไปเรื่อยๆจนเห็นว่าคุณธรรมนั้นสุกงอมแล้วก็เต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยนะเขาบอกว่าพระโพ ธ, ธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้นั้นจะต้องหลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวอันนี้เป็นปกตินั้นในที่สุดพระองค์ก็น้อมไปเพื่อที่จะหลีกออกจากหมู่คณะแต่ว่ารอวันวันวั น, ว น, วนหลังก่อนในที่สุดพระองค์ก็วันวิสาขบูรมีเนี่ยนะวิสาขบูรมี ประชาชนทั้งหลายก็ได้มีการร่วมเจริญกุศลทำข้าวมาทุปายาธถวายานะทำข้าวมาทุปายาธเนี่ยนะถวายพระองค์ก็เลยสเสวยข้าวมาทุปายาธในวันเพ็ญเดือนหตอนเช้าตอนสายมาพระองค์ก็หลีกจากไปแล้วก็ไปที่โพธิมันทสถานซึ่งพระองค์เคยเห็นแล้วแต่ยังไม่น้อมใจเพื่อที่ไปประทับนั่งตรงนั้นเพราะอินทรีย์ไม่แก่กล้าพอ เมื่ออินทรีย์พระองค์แก่กล้าแล้วพระองค์ก็ไปเสด็จประทับนั่งที่โคนต้นต้นโพต้นไม้ที่ตรัสรู้ต้นไม้ที่รวบรวมโพที่ปักจะธรรมได้สําเร็จพระองค์ก็นั่งนะพิจารณานะก็ปกติก็ต้องอะไรธรรมเนียมก็คือพยามารมาชิงบัลลังอ่านะมาไล่ให้ออกจากบัลลังพระองค์ก็ชนะมารและพลรมานในเรียกว่ายามพลบค่าพลบค่ําแห่งราตรีนั้นพระองค์ชนะมารและ พลมแล้วพระองค์ก็เจริญอาณาปานสติกรรมฐานซึ่งเป็นกรรมฐานที่พระโพธิสัตว์ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเจริญทุกองค์นะก็เจริญอาณาปานสติเพราใช้เวลาไม่กี่นาทีท่านก็ได้ฌานสี่เรียบร้อยแล้วที่เหลือก็เมื่อจิตนะนะเบาอ่อนควรแกการงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนั้นะนะด้วยฌานสี่เป็นบาทก็น้อมไปเพื่อระลึกชาติก่อนเป็นอันมาก รเล glaub, ือกได้หนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติยี่สิบส0ม0ิบสี่สิบห้าสิบร้อยพันมื่นแสตลอดสังวัตกระวิวัตกระับเป็นอันมากก็เป็นตลอดเป็นอสงไขยกระับเป็นอันมากนั่นเองว่าในภพนั้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดมีผิวพันธุ์มีรูปร่างหน้าตาเช่นนั้นเสวยสุขเสวยทุกบริโภคอาหารเช่นนั้นเช่นนั้นอยู่ในภพนั้นนานเท่านั้นจุติจากภพนั้นไปเกิดนะ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 พ อ, พอสรุปได้ไหมว่าไอ้ที่เวียนไหวตายเกิดมาเนิ่นนานเนี่ยนะไล่ตั้งแเป็นสัตว์นรกจนถึงเท้ามหาพรหมเนี่ยเวียนไหวตายเกิดนรกเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาพรหมร ม, มนุษย์พรหมเทวดามนุษย์เดรัจฉานอบายนรกเปรตอสุรกายวนเวียนเวนียนวนอยู่อย่างนี้ในพบสามกำเนิดสี่คติห้าวิญญาณทิฏฐิเจ็ดสัตตาวาส9เมื่อเห็นความอย่างนี้เข้าก็บอกว่าโอ้สัตว์มูสัตว์เนี่ยที่เวียนไหวตายเกิดเนี่ย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 เช่นนี้เนี่ยนะก็เห็นเลยว่าหมู่สัตว์ที่เป็นไปตามกรรมเนี่ยเช่นนี้มีไปมีมา น, นะมีจุติมีอุบัติในภพสมก็เห็นเลยความจุติอุบัตเนี่ยนะมันถ้าเป็นสมัยใหม่เปรียบง่ายก็เหมือนกับว่าผู้ที่ยืนอยู่ในที่สูงมองเห็นการจราจรเนี่ยนะเป็นตายจุติและอุบัติในภพ3ามกำเนิด4ี่คติ5้าวิญญาณทิติเจ็สัตตาวาสเกนี้ทั้งกว่าพิจารณาอย่างเนี้ยบทสรุปถึงตีสองวนาไงนะก็มาคิดต่อไปอีกว่าเอ๊ะแล้วมันคืออะไรกัน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 ตอนแรกก็เกิดพระปริวิตกตั้งเป็นโจท์ขึ้นมาก่อนว่าชรามรณะมีเพราะอะไรมีชรามรณะมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยตอนนั้นเนี่ยนะปัญญาการโยนิโสมานสิการก็เกิดขึ้นท่านค่อยๆใส่ใจหรือว่าโยนิโสมานสิการเกิดขึ้นก็มีปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้เนี่ยนะอโหปัญญายอภิสมายาการตรัสรู้ด้วยปัญญาการตรัสรู้ด้วยปัญญาก็เกิดขึ้นว่าเมื่อชาติมีอยู่ ชรามรณะยังมีแล้วก็โยนิโสมนาสิการตั้งเป็นโจทย์ต่อไปเอกว่าชาติมีเพราะอะไรมีก็โยนิโสมนาสิการเกิดปัญญาตรสัสรู้เอกว่าชาติมีเพราะพบมีโยนิโสมนสิการใคร่ครวนก็เกิดปัญญาพิจารณาต่อไปเอกว่าพบมีเพราะอุปาทานมีนะโยนิโสมนาสิการเกิดปัญญาตรสัสรู้ขึ้นว่าอุปาทานมีก็เพราะมีตันหาแล้วตันหามีเพราะอะไรมีก็ใคร่ครวนต่อไปก็เห็นว่า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 สิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรมเป็นสังขตธรรมเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นธรรมที่ถูกปัจจัยสรรสร้างแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นแต่กองทุก อ, นนอิมะสะเกวรสสะทุกขขันธสะเป็นแต่กองทุกขหามีสิ่งใดอยู่ในนั้นไม่หามีสัตว์บุคคลเป็นต้นเหล่านั้นณที่นั้นไม่มีแต่กองทุกกองทุกที่เป็นไปตามเหตุและเป็นไปตาม ปัดใจไล่สืบเนื่องกันไปเพนชรามอโสกปริเทวะทุกขโทมมรณอุปายาตเกิดจากชราและมรณะชรามรณะเกิดจากชาติชาติเกิดจากพบพบเกิดจากอุปาทานอุปาทานเกิดจากตันหาตันหาเกิดจากเวทนาเวทนาเกิดจากผัสสะผัสสะเกิดจากสลายตนะสลายตนะเกิดจากนามรูปนามรูปเกิดจากวิญญาณวิญญาณก็เกิดจากนามรูป นามรูปมีเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนการสิ่งที่เวียนไปเวียนมาเนี่ยนะอย่างนี้แหละสิ่งเหล่านี้ที่เป็นที่ตั้งแห่งการเรียกว่าสัตว์เรียกว่าสั ต, ตว์โลกที่เกิดก็เกิดอย่างนี้ที่แก่ก็เป็นแก่ความแก่อย่างนี้ที่จุติอุบัตเวียนจากภพหนึ่งสู่ภพหนึ่งก็เป็นอย่างนี้เป็นแต่กองแห่งทุกข์นะ